วิชาสาปุบเพนิวาสานุสติยาน 12. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นและน้อมจิตไปเพื่อปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง 2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1 0 0 0พชาติบ้างหนึ่งชาติบ้างตลอดสังวัตตะกับบ้างตลอดวิวัตตะกับบ้างตลอดสังวัตตะกับและวิวัตตะกับบ้างหลายกับว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้พราหมเราได้บรรลุวิ ช, ชาที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิ ช, ชาเรากําจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิ ช, ชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหมนี่คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิ ช, ชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเรา เหมือนการเจาะออกจากกระปะไข่ของลูกไก่จุตัปปาตาญาน 13. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปรปราปตาญานเห็นหมว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติ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 วินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พรามเราได้บรรลุวิชาที่สองในยามที่สองแห่งราตรีความเมื่อมิดคืออวิชาเรากาจัดได้แล้ว แสงสว่างคกวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหมณ์นี่คือการเจาะกระปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะออกจากกระปาะไข่ของลูกไก่อาสะวัคยายาน14เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดพ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยยันรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานิอาสวะนิอาสวะสมุทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคาม่มีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตได้หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระรามเราได้บรรลุวิชาที่สามในยามที่สามแห่งราตรี